มันใหม่ๆเยอะฟังธรรมะนะฟังให้เข้าใจสะก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติถ้าเราอยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะทำตามๆกันไปเสียเวลาหลายคนภาวนาหลายปีใจก็นิ่ ง, งๆเฉยๆไม่เดินปัญญาบางคนไม่เพียงไม่เดินปัญญานะสะสมความรู้ผิดสะสมความเข้าใจผิดเข้าไปอีก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 จะข้ามพบข้ามชาติเลยมันจะไม่มีเราที่ทิ้งไปทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเราน้ำกลืนอยู่กับโลกไปเลยงั้นไม่มีแบ่งแยกเป็นสองส่วนถึงเรียกว่าหนึ่งเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเวลาเห็นโลกก็เห็นโดยปรมาติตนะเวลาจำเป็นก็รู้โดยสมมุติไม่ใช่ว่าสมมติไม่มีพวกไหนภาวนาแล้วสมมติไม่มีเนี่ยพวกเพี้ยน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 เรารู้นะเราเป็นผู้บริหารโดยสมมุติตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเองหน่อยอาจจะเจ๊งเป็นลูกจ้างเขาหรือเจ๊งตกงานไปเลยไม่มีอะไรเลยก็ได้นื่ของสมมุติอยู่ยนะตอนนี้สมมุติว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทลูกน้องทำไม่ดีต้องเรียกมาด่าเนี่ยด่าโดยสมมตินะด่าโดยรู้ทันรู้ว่าด่าไปอย่างนั้นแหละทำหน้าดูดูไปนะทำหน้ายิ้มหวานหวานทีหลังอย่าทำหน้ามันก็ไม่เชื่อสิใช่ไหม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 เรื่องอื่นไม่ค่อยเอาไหนนะแต่เรื่องนี้เก่งรู้จักอันไหนสมมติยังไงก็ควรจะปฏิบัติกับสมมติแต่ละอันให้ถูกต้องพบปลอดภัยสิสบายสิใช่ไห ม, มะนักปฏิบัตินะก็ต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เอะก็ปรมามัดหมดเลยไม่มีสมมุตินั่นโง่แล้วนะไม่ถูกต้องนะนันชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธสมมติสม ม, ต, ส ม, มติก็มีจริงแต่มีจริงโดยสมมติมีพระมีโยม